เรื่องกะกุทะโกริยบุตรสมัยนั้นบุตรเจ้าโกริยะนามว่ากะกุทะเป็นอุปถากของท่านพระมหาโมคคลานะสิ้นชีพิตรสัยได้ไม่นานเข้าถึงชั้นกายะมโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่ง เป็นผู้ได้อัตภาพใหญ่เหมือนคามะเขตในแคว้นมคตสองถึงสหมู่แต่เขาก็ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะการได้อัตภาพนั้นครั้งนั้นกกุทะเทพบุตรได้เข้าไปหาท่านพระหมหาโมคคลานะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วไหวท่านพระหมหาโมคคลานะแล้วยืนณที่สมควร กากุทะเทพบุตรผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคคลานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระเทวทัตถูกลาบสกการะและความสรรเสริญครอบงำเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์ท่านผู้เจริญพร้อมกับจิตตุ บ, บาทพระเทวทัต จึงเสื่อมจากฤทธิ์กกุทะเทพปบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้ไหวท่านพระมหาโมคคัลลานะกระทําประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเองลําดับนั้นพระมหาโมคคัลลานะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาค นั่งหน้าที่สมควรท่านพระมหาโมกขลานะผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าบุตรของเจ้าโกริยะนามว่ากากุทะเป็นอุปถาของข้าพระองค์สิ้นชีพิตักใสได้ไม่นานเข้าถึงชั้นกายามโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นผู้ได้อัตภาพใหญ่ เหมือนคามเขตของแคว้นมคตสองสาหมู่แต่เขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะการได้อัตภาพนั้นต่อมากกุธเทพบุตรเข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนหน้าที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระเทวทัตถูกลาบสการะ และความสรรเสริญครอบงำเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์พร้อมกับจิตตุ บ, บาทพระเทวทัตจึงเสื่อมจากฤทธิ์พระพุทธเจ้าข้ากากุฏเทพประบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้วไหว้ข้าพระองค์กระทาประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเอง พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโมคัลานะเธอกําหนดรู้จิตของกักุทะเทพบุตรแล้วหรือว่ า, ก, ากัคุทะเทพบุตรกล่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นทั้งหมดย่อมเป็นจริงตามนั้นไม่เป็นอย่างอื่นท่านพระมหาโมคคลานะกราบทูลว่าข้าพระองค์ กำหนดรู้จิตของกากุทะเทพบุตรด้วยจิตแล้วเชื่อว่ากากุทะเทพบุตรกล่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นทั้งหมดย่อมเป็นจริงตามนั้นไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคคัลานะเธอจงรักษาวาจานั้นโมกขลานะ เธอจงรักษาวาจานั้นบัดนี้โมคะบุรุษนั้นจะเปิดเผยตนด้วยตนเองออกมา